بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حمد مجيد سبحانه لصدري ويسر لأمري ي وحللق د ة م, م ن لساني ي ق ه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغبر لنا ตร حمنا لنكونن ا ل خ ن و ا ت ن ن ي ا حسنة الآخرة س ن ة وقنا عزابنا الحمد لله ครับวันนี้เราจะมาพูดมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับสุรอาบอสัยครั้งหนึ่งเหลือนจากที่เราได้เริ่มไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเลนิดหนึ่งนะครับวันนี้อ่ะเปิดกันเลยนะครับราบออบส ราจะอ่นตั one one ้งแต่แรกก่อนนะครับอ่านตั้งแต่แรกก่อนสองสองสอง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ا ل ر ح الرحمن الرحيم. عبس وتوالى أن جاءه الأعمى، <تصفيق> وما يدرك لعله يزكى. <تصفيق> أو يذكر فتنفعه الذكر، أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنا فأنت له تصدّى. وما عليك, وما عليك ألا يزكى وأمّا من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا َ إنها َ تذكره، َ فمن شاء ذكره، فمن َ شاء َ ذكره ََ في صحف ُُ مكرمة. َ مرفوعة مطهرة, مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة, بأيدي سفرة كرام ب ر ا ر ة ควมดีล่ะนะครับประมาณสิบห้าสิ บ, บอายนะครับที่เราได้อ่านจากสุรษะย้อนหลังกันนิดหนึ่งนะครับถึงที่มาที่ไปของสุระนี้อย่างที่เราทราบนะครับว่าุระนี้อัลลอ์ะตนี้ท่านนาบีลลัลลอฮัลมในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลกิบอัลิจาบก็คือการเตือนให้ให้ใหสะกิดให้รู้สึกตัวนะครับต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง อะไรได้นะครับตําหนิใยการเริ่มต้นขึ้นมาอัลบซาวะซาวัลละเป็นประโยคบอกเล่าตาําหนิแบบประโยคบอกเล่าสุภาพนะั่นและนมีมีฮิกมัดด้วยนะครับที่ใช้ประโยคบอกเล่าในการตาหนิทําไมอัลลอฮฺสุลต่านไม่ได้พูดแบบนะไม่ได้ใช้สำนวนประโยคแบบตรงตรงทำไมเจ้าทําอย่างนี้มุฮัมมัดทําอย่างนี้ไม่ถูกนะมุฮัมมัดเราไม่ได้ใช้นี้สุภานัลนแหละแต่ใช้คําพูดที่มันดูนุ่มนวลอ่านักบึ้งแวว หันหลังให้แล้วคือตั้หนิแต่ไม่ใช่ลักษณะคําพูดที่เขาเรียกว่าแทงแบบตรงๆนี่เป็นวิธีการสอนของอัลกุรอานอุลกิริมซุลฮานัลลอฮ์นะเวลาที่เราจะวิธีการตารบีหเนี่ยอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าการตารบีห์การสอนการฝึกการอบรมเนี่ยอัลลอฮฺซุลฮานะตะลาเวลาที่พระองค์ทรงสอนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมวิธีการเนี่ย ทานอรวงงดงามมากซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้ในบางเรื่องนะครับวิธีเวลาที่เราจะสอนลูกแทนที่เราจะตําหนิแบบสมมุตินะครับนะใครที่มีลูกจะตําหนิลูกแบบตรงๆส่วนใหญ่เราหี่ลูกแบบนี้นะนะไม่ค่อยมีใครที่ว่าตําหนิเเวลาที่จะว่าลูกนี้ไม่มีหรอกใช้แบบออ้อมๆไม่มีเอากันต ร, ต, รตรงนั้นอย่างนั้นเลยนะหรือใครที่เป็นครูนะใครที่มีลูกสิบจะทํำยังไง เวลาที่เราจะเอิงการการเอิงการก็คือการปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ดีถามว่าการที่เราจะเอิงการมันมุงกรันมันรเอมิ่งคุมมุง่งกระนันลยุไยยิบุบเบียดีฮีใน h a d ที่บอกว่าใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เขาเอิงการให้เขาเปลี่ยนให้เขาถามว่าจำเป็นต้องใช้แต่วิธีการที่มัน แบบผงผางเรียกว่าผงผางใช่ไแบบผงผางอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับวิธีการที่เราจะตำหนิปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยบางทีเราใช้สิ่งที่นุ่มนวลมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนและก็เกิดผลในทางบวกได้เราก็หันทำไมเราไม่ใช้ละ่ะนะถ้าหากว่ามันมีสองทางเลือกทางหนึ่งเป็นเป็นวิธีการที่แสดงออกถึงความก้าวเครียวกาด ในขณะที่อีกทางหนึ่งเป็นวิธีการที่นุ่มนวลกว่าอ่อนโยนกว่าถามว่าเราจะเลือกเอาวิธีการไหนนะครับนี้เป็นการอธิบายของบรรดาอุลามะด้วยนะครับว่าอัลล์ ب ح ا ن ه ะ ت ا ل ى นะอบาลเี ي อาดตุนฟิล ا ل غ ي า ه ์ว่าล่าไ ل ل ن ุมะฮัวอิครามุลล ا ลนบีซัลลัลลอฮ์ ل สุลลัมวะตันซิฮุลละหูอันลัมขัต ا ะบิลอ وهذا อ ح س ن น ن อันแ ا ل ะ ع م ลั ในม وض ่ม فعول ในม وض ่ม فعول ์ันกาเขาเนที่มีความร้ที่อการที่จะไ้รับควารกที่จะไ้บควาร้ก่จะไรบคว้กที่จะไรับนวาร้สนกี่ะได้รันความรู้สกาี่ด้รับควา้สึกทจะได้รับาม้สกี่จะไดับคามรูกที่จะไัามูสที่จะได้ัมรูที่จะได้รับมรู้สึกทะ้ําในขณะที่บางท่านบอกว่ า, าวิธีการแบบนี้เึีเบบเนะ่เพื่อนะรป็นการให้เกี่ยะร ท่านนาบีสุสลตัลละซันแลมไม่ได้ตําหนิแบบผงผางไม่ได้ตําหนิแบบสองสอพี่น้องครับชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านนาบีสุลตัลละซันแลมมาเพื่อที่จะเรียนรู้อสิสลามมาเพื่อที่จะรับพิดญาตร์เผื่อว่าตัวเองจะได้ปรับปรุงตัวเองในขณะที่ท่านนบีนั้นกําลังต้อนรับแขกวีไอีในฐานะในในสถานะของท่านในะที่ในมุมมองของท่านเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม มีตำแหน่งสูงท่านอยากจะให้คนคนนี้เนี่ยรับฟังท่านเหลือเกินเข้าใจท่านเหลือเกินแต่ว่าไอ้แขกไอ้พที่ท่านกำลังพูดคุยอยู่ด้วยเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยากจะมารับอิสลามในขณะที่คนหนึ่งเป็นคนตาบอดธรรมดาๆรรทั่วๆไปเป็นคนที่ไม่มีศักดินาอะไรสูงสุดท่านนาบีก็เลยคลิดว่าน่าจะคุยกับคนนี้มากกว่าคนนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าอาลักษณะก็เลยตลําหนิตรงนั้น สุดท้ายพี่น้องทราบหรือเปล่าครับว่าอับดุลลอฮ์อิบนอุมมักตูมชายตาบอดผู้นี้หลังจากที่รับอิสลามสถานะของเขาที่สูงส่งมากมีรายงานบอกบางรายงานว่าใชยคนนั้นอัลฮ์อัลลอฮ์ออฮออัลลอลลอฮ์อัลลอฮ์ออลลลอฮ์อลลัลลอฮอลัฮัลลัออัลลอฮ์ออ์ัอ์ล ยู่ลูมาร์ฮบบันบัมันอัตบัณิฟิห์รับบิ”ทุกครั้งเวลาที่ท่านบิซัลลาห์สัลลัมเห็นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมะตูมซึ่งตาบอดหลังจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นผ่านไปเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะให้การต้อนรับอย่างดีมาร์ฮบันยินดีต้อนรับมาร์ฮบันก็คือยินดีต้อนรับ เวลาที่เราคนอาหรับเขาพูดมาร์ฮับนเชิญเข้าบ้านมาร์ฮับน์อัพลันวะสัพลันมาร์ฮับนบิคุมมาร์ฮับนก็คือการต้อนรับมาร์ฮับนบิมันอาเตบันีฟีหิรับบียินดีต้อนรับคนที่อัลลอฮาทรงประทาละตําลิฉันเพราะเพราะเขานะครับและมียอมรับนะครับว่าตัวเองทาอะไรลงไปสุท้านัละนอกจากนี้ให้เกียรติถึงขนาดว่าอับดุลลอฮอิบนอมมักูมเนี่ยเคยเป็น ตัวแทนของท่านนาบีสุลตลานเวลาที่ท่านออกไปรบทุกครั้งเวลาที่ท่านออกท่านนาบีพากองทัพออกไปนอกเมืองมาดินนะเนี่ยจะต้องมีคนดูแลมาดินนะแทนเชื่อหรือเปล่าว่าคนคนนี้เคยเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านนาบีสุลต่านให้ดูแลเมืองมาดินนะแทนท่านอย่างน้อยสองครั้งด้วยกัน าเดิมคนที่ไม่มีคนที่ดูเป็นเหมือนต่ำต้อยคนที่ดเหมือนสนลลุดท้ายท่านนบีสุลล่ามให้เกียรติกับคนคนนี้มากนะครับถึงขนาดว่าอัลลอฮฺอัลลสุบฮานัลอสุเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นที่มาที่ไปของโซร์นี้สซร์อบสะนะครับอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะครับว่า ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่านรือจะจักเร็วฟตมฟะฮุจักเราะห์รูนี่ยกฎเกณฑ์ว่าตัวชีวิตว่ามนุษย์คนหนึ่งจะเป็นผู้ศรัท ธ, ธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัท ธ, ธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกมันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งมันไม่ได้อยู่ที่สถานะทางสังคมของเขามันไม่จําเป็นว่าคนที่จะมานับถืออิสลามเนี่ยจะต้องเป็นคนมาจากชาติตระกูลดีๆเท่านั้นไม่ใช่ นะครับไม่ใช่ว่าคนที่จะเข้าใจอิสลามคนที่จะช่วยเหลืออิสลามเราจะต้องคัดมาจากพวกที่ออมีหน้ามีตาทางสังคมใช่ครับนะแม้แต่ใครก็ตามที่ใจของเขาเปิดรับอิสลามเราสามารถที่จะให้อิสลามกับเขาได้นะครับทีนี้มีอุลามะบางท่านอธิบายอย่างนี้นะครับเป็นสาระที่เราจะได้ประโยชน์จากจากอายัดนี้ก็คือว่า นะท่านสั่งดีนะครับที่ไปว่า وهذهفائدة كبيرة ที่ a l l a ต ت ع า ل ى บอกว่าเพื่อให้คนที่มาฟังเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ได้จําแนกว่าจะเป็นคนที่มีระดับสูงหรือว่าคนไม่มีระดับคนไม่มีตําแหน่งอะไรเนี่ยสามารถที่จะรับประโยชน์จากอิสลามได้เลยท่านบอกว่านี่คือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงก็คือที่มักพูดถึงจากเบื้องต้ส วาวงดัวงด์และเต้กิร์ลมุ้้้้้้้น้้้้้้้้้้้ ن ้้้้้้้้้้้้้้้้ ل ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าก้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ให้เราให้ความสำคัญกับคนที่จะมาเรียนมากกว่าคนที่เราคนที่ไม่ได้มีคือคนเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาในขณะที่กลุ่มตรงนี้ต้องการจะเอาจริงๆควรจะให้ความสำคัญกับคนที่ต้องการมากกว่าถึงแม้ว่าคนที่มาเนี่ยเป็นคนซึ่งอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์กับเราไม่มีประโยชน์กับชุมชนเราไม่มีประโยชน์กับ سبحان a ล l a นะครับ อ, อ l a k u l wa j i สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สมควรมากกว่าก็คือให้ดูคนที่อยากจะเรียนอันนั้นเนี่ยให้เต็มที่กับเขาไปเลยนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างนี้หน้าที่ของคนที่เป็นรอซูลหน้าที่ของคนที่ทำเงานเพื่อการดะวะเนี่ยอัลลอฮฺตาลาบอกว่าว่า ذكر إن فاعت الذكره فذكر إنما أن تمذكر إنما أن تمذكر จงให้คําตักเตือนจงให้เอาการอะไรการให้เขาเนี่ยได้รู้จักส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่หนะ้าที่ของเจ้าอินเนมาอันแทมูรักกิตเจ้าเป็นคนเตือนเจ้าไม่ใช่คนที่จะบอกว่าเอา้าวพอฉันเตือนแล้วท่านจะต้องฟังนะท่านจะต้องรับสิ่งที่ฉันพูดนะไม่ใช่พูดให้เขาฟังอธิบายให้เขาเข้าใจส่วนเขาจะเชื่อเขาจะฟังเขาจะ เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างเขากับรถสุนทานออาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเลือกนะครับอย่าเลือกที่จะพูดกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะเราคิดไปเองว่าเราน่าจะเอาคนนี้มาเป็นพักเป็นพวกหรืออย่างนี้เป็นต้นสุม ا ن a l อ a ลนะครับเพราะฉะนั้นแสดงเหตุอัลลัคไหเดติลมาชูระอันุลลาตุรคุอัมร์มักลูมหรืออัมรินมาฮูมิมีกฎ S <S นเนี่ยเขาเอาจากอายักนี้เนี่ยเอามาทำเป็นกฎเราเรียกว่ากออิดะนะกออิดเฟติยกฎเกณฑ์ทางวิชาฟิกทางศาสนาบัญญัติประการหนึ่งที่เขาเอาดึงเอามาจากอายัก ต, ตรงนี้เอามาเป็นกฎว่าเลยุตรคูอัมรนมะลูจะต้องไม่ละทิ้งสิ่งที่ชัดเจนหรืออัมเรนเมวหูเพื่อไปทำสิ่งที่ คลุมเครือไม่ชัดเจนสิ่งที่ยังไม่รู้ว่ า, าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เรื่องหนึ่งรู้ชัดเจนว่ามีประโยชน์แน่นอนถ้าทำแล้วเนี่ยเกิดผลอย่างดงหนึ่งแน่นอนในขณะที่อีกโครงการหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งไม่รู้บางทีก็อาจจะมีประโยชน์บางทีก็อาจจะไม่มีประโยชน์ยังไม่แน่ใจห้าสิบห้าสิบถามว่าเราจะทิ้งอันนี้ไปทาอีกอันนี้ได้ไหมไม่ได้ และยุทรคูอัมรนมาลุจะต้องไม่ละทิ้งสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่คิดว่าน่าจะได้ผลประโยชน์ชัดเจนเพื่อไปทำสิ่งที่ยังคาดคิดไม่ถูกว่าเออมันจะเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยละเวลา حة ม, มุตพักค่ะล حة มุตมุตเหมือนกันจะต้องไม่ละทิ้งผลประโยชน์ที่ชัดเจน ไปสู่มัสลาฮ์หรือผลประโยชน์ที่ยังอยู่กลางอากาศยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักช่างว่าสิ่งไหนที่ควรจะต้องจัดลําดับในการทํางานของเราก่อนสุภานวลลเนี่ยอัลกุรอานสอนเรานะเหตุการณ์ที่ท่านนาบีทํากับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมีมักตูมเนี่ยออนอุมม่าของท่านทุกคนให้รู้จักวิธีการนวะวิธีการด้วะวิธีการเชิญชวนคนอื่นวิธีการทําอะไรต่างๆในชุมชนของเรา นะถ้าหากว่ามันมีงานหลายงานที่เราต้องต้องทำเนี่ยเราจะจัดลำดับของมันยังไงว่าอันไหนควรมาก่อนอันไหนควรมาหลังนะเวลาที่เราประชุมนะบางคนเนี่ยบางทีบางอย่างบางเวลาเนี่ยเราลงมติไม่ได้เอ๊ะจะเอาเอยงดีนะจะเอาเรื่องนี้ก่อนดีหรือว่าจะเอาเรื่องนี้หลังดีให้ดูว่าอันไหนที่มันจะมีประโยชน์แน่นอนร0อยเอร์เซนตกับอันไหนที่มันยังอยู่กลางอากาศว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ นี่คือออิดะที่บรรดาอุลามะนะครับดึงเอามาจากเหตุการณ์ในสุรษะอับวะตะวัลละผมบอกแล้วว่าอัลกุรอานพูดกับเราทุกเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีลลออสลวะสันละแต่มันแฝงไว้ด้วยบทเรียนในเชิงบริหารจัดการบทเรียนในเชิงอกดะบทเรียนบทเรียนในเชิงการปฏิบัติตัว บทเรียนในเชิงรัฐศาสตร์บทเรียนในเชิงเศรษฐกิจบทเรียนในเชิงการปกครองในเชิงการเมืองเยอะแ ย, ยะไปหมดเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยเครื่องมือในการทำความเข้าใจกับอัลกุรอานนะครับไม่ใช่อ่านอัลกุรอานแบบันทานโดยไม่สังเกตและไม่ใคร่ควรนะครับเอาละครับหลังจากนั้นอัลลอสุ سبحانه ะ ت ع าบอกว่าคอินนาะทัสกร คำว่ากันละเนี่ยเราเรียกว่าพจน์จักรหรูเป็นประโยคสำนวนที่ใช้ในการปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าขั้นละไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เจ้าทำไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เจ้าคิดเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอินหาทัศกิรฮะแถ้จิงมันเป็นข้อตักเตือนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรับคําตักเตือนนี้เค็บก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากมาันะ <c oughs> ดังนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็รำลึกถึงข้อตักเตือนนั้นคือ <c oughs> <c oughs> อัลลอฮ์ได้ส่งแจ้งให้ท่านนาบีทราบว่าต่อไปจะทำเช่นนั้นอีกไม่ได้กันล่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกกล่าวคือท่านจะไม่ให้ความสนใจแก่ผู้ที่ต้องการมารับองค์การของอัลลอฮ์นั้นไม่ได้นะฮะเพราะบรรดาองค์การของพระองค์นั้นเป็นข้อแนะนําตักเตือนผู้ใดประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้และปฏิบัติตนให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องเขาก็ ระลึรำลึกถึงข้อแนะนําตัดเตือนนั้นและศึกษาหมายถึงว่าสามารถศึกษาหาความเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นคำสอนอิสลามเรื่องราวต่างๆในอิสลามไม่มีลิขสิทธิ์เราจะบอกว่าเอ้ยมึงอย่าเรียนเลยเหมือนอัลกุรอานสมัยก่อนนี่มันจะมันจะน่ากลัวมากนะสมัยก่อนไม่รู้นะแถวนี้มีหรือเปล่าถ้าจะเป็นแถวแถวพักแถวแถวนู้น นะฮะแถวสามจังหวัดแถวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นหวังดีประสงค์ร้ายหรือหวังดีจริงๆผมก็ไม่ทราบได้สมัยก่อนเนี่ยเรียนอัลกุรอานเนี่ยเขาเขาจะขู่ๆอยู่นิดหนึ่งเขาบอกว่าอัลกุรอานนี่เป็นของสูงไม่เหมาะสําหรับชาวบ้านธรรมดาอัลนกะุรอานนี่เป็นของพวกเด็กป้านะ นะเป็นของพวกโต๊ะปะเกสมัยก่อนนะเขาจะเรียกโตะปะเกยกลุ่มคนที่อยู่พอนะเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาที่กรีดยางทำไรทำนาเนี่ยระวังให้ดีนะถ้าทำนะท า, าถูกผิดยังไงเนี่ยบาปหนักนะไปเล่นกับอัครานอย่างนั้นสุภานัลลอฮ์คือเหมือนกับว่าใช่ตอนนี่มันหาหนทางในการหลอกมนุษย์ได้ได้ได้หลายวิธีเหลือเกินละอิลาฮอิลล a เป็นห้องครบนี่ไง นี่คือตัวอย่างในสุรักษ์ที่อัลลอฮฺวางแต่เราบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยสาหรับคนทุกคนแม้กระทั่งคนตาบอดยุครามีไหมเอะคนตาบอดเรียนกุรอานเอาบ้านเรามีไหมคนตาบอดที่ท่องจำอัลกุรอานมีบางที่นะผมเคยเห็นเคยเห็นในตามคลิปตามอะไรต่างๆมีคนตาบอดที่เรียนอันลกุรอานแต่ถามว่าเยอะไหมไม่ค่อยเยอะ คนตาบอดการที่ตาบอดการที่พิการทางร่างกายเล็กๆน้อยๆอยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นคนอาเลมเป็นคนที่เข้าใจอัลกุรอานผมเคยเรียนตับซีอัลกุรอานกับอาจารย์ที่ตาบอด <c oughs> ตับซีสุรทุลวะกอร์อาจารย์ผมที่สอนปีแรกที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยตาบอดครับสอนตับซี <c oughs> สอนดีมาก พูดยกอายัดยกหลักฐานจากอุลมามะคนนั้นคนนี้เราเนี่ยจดแทบไม่ทันตาบอดอุลมามะดังๆที่พี่น้องรู้จักที่คนเขารู้จักกันทั่วโลกตาบอดทั้งนั้นเชคบ b d u l Aziz เชคอ b d u l Aziz ซึ่งเป็นมุสตีของซาอุดีปัจจุบันตาบอดเชค a b h อะไรนะกาชกชาวอียิปต์ที่พูดเก่งมาก ตาบอดอันนี้ยุคปัจจุบันภายุคสมัยก่อนนี่เยอะแยะไปหมดเลยบรรดาอุลามะที่ตาบอดบรรดเราเนี่ยพอคนตาบอดปุ๊บเข้าโรงอนาถาเลยเข้าเรียกว่าเข้าเข้าอะไรนะคือเป็นพวกอีกพวกหนึ่งเลยไม่มีบทบาทอะไรในสังคมเลยกลายเป็นภาระของสังคมสุภานั่นแหละวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นประเทศอาหรับเนี่ย เรียนในห้องเรียนเนี่ยคนตาบอดจะเรียนห้องเรียนกับคนปกติเขาไม่มีนะโรงเรียนเฉพาะคนตาบอดระดับมหาวิทยาลัยนะครับคนตาบอดเรียนในห้องเรียนคนปกติแต่เขาจะมีบริการเหมือนกับว่าสวัสดิการเท้าสูงเขาจะมีเหมือนกับบัต ด, ดิ้นะเวลาเรียนเนี่ยเขาจะเรียนกับอาจารย์ปกติแล้วคนตาบอดส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าอะล ะ, ละเอาเน็หม่ตาจากเขาเนี่ย เลาว่าแต่เราจะให้เนตหมัดอย่างอื่นกับเขาแทนความจําดีมากส่วนใหญ่แล้วคนตาบอดที่ความจําจะดีท่องคัมอีร์ง่ายมากแล้วอะไรก็ตามที่ฟังจากอาจารย์ที่เ้าสอนเนี่ยเขาจะจําดีมากเวลาสอบเนี่ยจะมีบัต ด, ดีอยู่คนหนึ่งนะแล้วก็บัต ด, ดีที่ตาดีนะคนที่เป็นคู่อยู่เนี่ยตาดีแล้วก็นั่งกันสองคนคนที่มาเป็นคู่เนี่ยก็จะอ่านคําถามให้ฟังแล้วก็คนตาบอดที่มาทําข้อสอบเนี่ยก็จะตอบ แล้วก wow. yeah, ็ให้บัดดี้นี่เป็นคนเขียนอย่างนี้เลยครับสุภาน้าหลเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอีอิสลามไม่แบ่งแยกจริงๆรั่ลอินนะฮะจักิรอและมันเป็นข้อตักเตือนสำหรับคนทุกคนนะมันแชะแจสคาระมิสิทนะครับไม่จำเป็นว่าเอ่อในอิสลามเนี่ยมีอุลามะนะที่พิการหลายคนอัลอารัจอัลอาเมช อัลอาอุชก็คือขาขาพูดง่ายๆก็ขาเปอัลอาอัชขาเปมีครับอุลมะที่ขาเปเป็นอุลมามะใหญ่โตสมัยก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นลาอิละฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือคุณค่าของอัลกุรอานุลกรีบเราเนี่ยบางทีก็ละอายเหมือนกันนะเราตาดีหูดีมือดีเท้าดีบางทีสู้คนตาบอดสู้คนและสู้คนที่ไม่ไหว เราไม่ไม่ไม่ม like ีแรงพอที่จะลอิละฮิอัลลอฮะเพราะฉะนั้นนะต้องมาทบทวนพวกเรากันเองนะครับแล้วอที่ส um ุ่มุคั่รมะองค์การต่างๆเหล่านั้นอยู่ในแผ่นจารึกที่ทรงเกียรติซูฮุฟิมมุคัรมะหมายถึงเล่มปล่านหัวข้อ ฟีซูขุฟมุคแรมะาชกานีมาดูชาวกานีสักิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าฟีซุขุฟมุคแรมะหมายถึงอยู่ในแผ่นจารึกที่สุขที่ทรงเกียรินั่นก็คืออันน่ามุคแรมตุนอินดัลออัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพร์ที่มีเกียร์นะอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل า ลีมาที่ ها من العلم والحكمة เพราะเป็นคำที่ที่จไปดยความรู้ต่างๆมากมายวิทยาปัญญาต่างๆมากมายเหลือเกินเอาลิอันฮานาจิเลชนมินัลลอฮิล mahfud หรือที่มีเกียรตินาอัลลอ์ سبحانه และ تعالى เป็นเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาจากอัลลอฮล m a h นะครับวกีล เอลมูราดุบิซ uh ูฮุฟคัตุบุลอัมบิยะบางคนก็บอกว่าคำที่บอกว่าซูฮุฟิมุคัลลามะหมายถึงคำพีของบรรดานบีทั้งหลายนะครับอย่างไรก็ตามาฟีซูฮุฟิมุคัลลามะเนี่ยก็หมายถึงคำพีอัลกุรอานอัลกุรีมแน่นอนที่สุดว่าในโลกนี้ไม่มีอีกแล้วสิ่งอื่นที่จะมีเกียรติสิ่งอื่นที่จะสูงส่ง มากไปกว่าพระดํารัสของอลอสุบฮานอัสัลลัฮฺเราจะต้องรู้จักด้วยบางคนไม่รู้จักอัลกุรอานครับมุสลิมแต่ไม่รู้จักอัลกุรอานมุสลิมที่บอกว่าตัวเองนั้นศรัทธาต่อคําภี์ของอลอสเราทุกคนมีหลักศรัทธาหกประการหนึ่งในจํานวนหกประการก็คือการที่เราศรัทธาต่อคำํำภีรของอลอสแต่ถามว่าวันนี้เราทําหน้าที่อะไรบ้างต่อคํำภีของอลอส อัน نبي صلى الله ع ل ي กว่าอดีนนสสนคือการนหบดาถามว่าลิมนยานห์้ใครอนนบีของอัลลอฮ์ันบีเบอกว่าลิลลาห์วลิวลิิบห์้กับคำพิธของอัลลอฮ์ยังไงนสัห์้กับคำพร์ของอัลลอฮ์ต้องถามตัวเอง ว่าวันนี้เราให้ความสําคัญกับคําพีขอเลาะมากน้อยแค่ไหนเราอ่านมันมากน้อยแค่ไหนเราศึกษาทําความเข้าใจกับมันมากน้อยแค่ไหนเราปฏิบัติตามมันมากน้อยแค่ไหนโอ้บรรดาคนที่บอกว่าตัวเองนั้นศรัทธาต่อคําภีของเลาะถ้าเรารู้ว่าคํำภีขอเลาะเป็นคําภีที่มีเกียรติเราจะทําตัวเหมือนที่เราทําตัวทุกวันนี้หรือเปล่าสังคมพุชลิน ถ้าหากเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับคำปีก่อนหรอกพี่น้องคิดว่าสังคมมุสลิมจะเป็นอย่างไรนี่คือคำถามทีสูงฟิมุคารมะมัรฟูะจนมุตฮาระนี่เป็นคุณลักษณะต่าาๆที่วดงานของอัลกุรอานมัรฟูะหมายถึงสูงส่งอยู่สูงนะเป็นของสูงจริงๆแต่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้เพราะมันเป็นเตสกระสาหรับพวกเราทุกคนมุตฮระ มุตฮาระหมายถึงสะอาดสะอาดปราศจากสิ่งที่โสกรปรกอัลลอฮบางท่านที่บอกว่าคําว่ามุตฮาระหมายถึงมุตฮาระมิเนลอาฟาตไม่มีสิ่งสกรปรกที่มาแปดเปื้อนคําสอนที่โสกรปรกนะปกวิธีการที่โสกรปรกคําแนะนําที่โสกรปรกคําแนะนําที่มันไม่มีอนะไม่เหมือนกับคำพีบางคัมภีร์นะพิธีกรรมบางพิธีกรรม ในลทัทธิบางลทัทธิในศาสนาบางศาสนาในาเวลาที่จะสแสดงออกทางพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยจะต้องมีคําสอนแปลกๆเข้ามาที่มันสกป ร, รกสกป ร, รกนะกนอาจจะต้องฆ่าตัวเองจะต้องดื่มเหล้าจะต้องคลุกเคล้า ก, ก, กันนะอุบิลละฮ์มิญจาลิกคําสอนแบบนี้ไม่มีในคําเพีร์อัลกุรอานไม่มีข้อบกพร่องมุตฮะรตุลมินะลัฟะนีลัฟะนี่รวมหมดทุกอย่าง อัลกุรอานไม่มีข้อบกพร่องไม่มีคําสอนที่มาคลุกเค้าปะปนกับคําสอนของชายตอนชายตอนไม่สามารถที่จะมาครอบงาอัลกุรอานได้ไม่มีทางเด็ดขาดนะครับนี่คือความหมายของคําว่ามารฟูอาเินมุซฮาระนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺเราบกพร่องมากเลยเกิด น, นะครับเราบกพร่องในหน้าที่ของเราต่ออัลกุรอานมากเลยเกิด บีไอดีซัฟฟาร์กบีไอดีซัฟฟหมายถึงอยู่ในมือของบรรดาด้วยมือของอารักษ์ซัฟฟนี่หมายถึงแกจบบะอารักษ์เนี่ยน้องเข้าใจคำว่าอารักไหมอารักษ์ก็คือเอสมียนนะใกล้ๆกันกับพระมารอิกาที่มีหน้าที่ในการจดบันทึกเพราะว่า เราหุลมัฟฟ eh? ูซเนี่ยเป็นกระดานเราหุลมัฟฟูซลตาลจดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะมีมลายิกาที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกเหล่านี้รวมถึงอัลกุรอานเองก็จะมีบรรดามลายิกาที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกนะครับก่อนที่จะถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีสุลตนลบอดีซาฟะกิรามบาระนะครับบรรดามลายิกาที่มีเกียริและมีครรมกิราม คติรีขวัญรีและบาระนะเป็นมเลกที่มีความดีงามมีความมรกคตบาราระนะบาราระก็คือเป็นคนที่ดีปูรูบุหมและแม่รูหมนะหัวใจมเลกัตเนี่ยนะเป็นคนที่บริสุทธิ์ขุดทองไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ศกรกรปกนะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์นะบางครั้งก็มีคิดดีบ้างบางครั้งคิดชั่วบ้างแต่มเลกัตนี่ไม่นี่ ม ل จะเป็นม خ ل ุกพ ah ิเศษของวพระศูนย์สุบะฮ์อัลละติยาลาตัลลาบอกว่าม่ยือซูนัลลอฮ์มาอัมรหมไม่จะไม่ฟ่าฟืนอัลลอฮ์สูบะฮ์อัลละติยาลาเนสิ่งที่พระองค์สั่งว่าจะทาทุกอย่างที่อัลลอลาสั่งให้ทาไม่มีบิดพลิวแม้แต่นิดเดียวนี่คือไม่เหมือนไม่เหมือนอ่เสมียนมนุษย์เนีเสมียนมนุษย์บางทีมันยักยอกนั่ง มันดัดแปลงมั่งเนมันสุภาษณ์นั่นเหรถ้าพูดถึงชัยตอนเนี่ยไปกันใหญ่ชัยตอนเนี่ยไปกันใหญ่เลยถ้าจะพูดถึงบรรดายิวบรรดาชาวคัมภีร์สมัยก่อนเนี่ยไปกันใหญ่เลยบรรดาคนพวกนี้เนี่ย Allah ตะลาบอกว่าย you حرّفون ا ل ك ل ม ة عن า و ا ض ي ع ه ชาวคัมภีร์พวกยิวพวกนัสราณีเนี่ย Allah ตะลาให้คนละศึกษาพวกนี้ว่าย you حرّفون ا ل ك ิม เปลียปล่ยนแปลงประโยคและคำพูดของลอตสุภาโนดาล้วนะคำพูดในตอรสเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ท่านนาบีมูซาเอามาพูดเอามาบอกอีกอย่างหนึ่งเวลาที่พวกนี้มันจดมันจดอีกอย่างหนึ่งในขณะที่อัลกุรอานเนี่ยลอตอลารับประกันว่าจะไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดนะฮนนะจัลนซิกร้าวอินนาเลหูเลฮาฟิซฮาิงแล้ว เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและเราจะปกป้องมันเองเ l l a แต่เราบอกว่าคำเพียลกุรอานเนี่ยพระองค์จะปกป้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในคำเพียลกุรอานเนี่ยบางอายัด Allah س ب า ا ن ละ ت ع ท้าทายท้าทายมนุษย์ท้าทายจินท้าทายอะไรครับท้าทายคนทั่วโลกถ้าหาว่าสามารถที่จะเอาอะไรแต่ง แต่งให้มันเหมือนกับอัลกุรอานสักอายัดหนึงเอามาสิสักสุราหนึงเอามาสิวัอัลาฮ์ทาเลอะไรนะที่มีอยู่ในสุราอัลบาคาระที่อัลลอฮ์ตัลาบอกว่าฟัตุบิสุราติน ث ิมิสลิอิ صادقي นะอินยาอะไรนะอินคุณตุมฟีไรบิบิมมาเนซเลนาะลาอับินฟตบิรามิมิลิ โอ้มนุษย์ทั้งหลายถ้าหากพวกเจ้าคิดว่ายังลังเลอยู่กับ Al อัลกุรอานยังคิดว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองถ้าเจ้าคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหนพระสูบิสุรอะเอามาสักหนึ่งสูรอสิสุรอะที่สั้นที่สุดกี่อายัดครับฮะทราบไหมไกีอายสุระไหนที่สั้นที่สุดลองอ่าน ไม่ใช่ในั้นเป็นอายัดเอาสุราก่อนสุรากที่แท้ท่สุุอะไรามอายัดอินนาอยนกลครศลลิรบบิวนฮอินนชานอฮวลอัมอายเอามาให้เหมือนกสามอายัดสิตั้งแต่ที่อัลกุรอานประกาศท้าทายอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลาที่มีคนจะมาแต่งอายอัลกุรอาน ถูกหรือว่าถูกจับผิดถูกจับเท็จได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยจึงเป็นคัมภีร์เล่นเดียวที่ได้การปกป้องจากการประดิษฐ์ตกแต่งปุกแก้ไขขึ้นมาเองมีความพยายามหลายครั้งเหลือเกินในการที่จะดัดแปลงทำบางคาในอัลกุรอานแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีไม่มีทางสำเร็จทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้คัมภีร์ที่มีคนท่องจามากที่สุด ก็คือสัมภีร์อัลกุรอานุลกะริคําภี่ที่มีคนอ่านมันมากที่สุดทุกวันก็คืออัลกุรอานุตักริทีนี้เราต้องถามแล้วว่าเราอยู่ในขบวนหรือเปล่าเราอยู่ในขบวนอัลกุรอานนี้หรือเปล่าในขณะที่ขบวนอัลกุรอานนี้โอ้ยเขานะครับกระเดื่องละเกินเขาเนี่ยขบวนเขายาวเหยอียดมากบางคนท่องได้สมสิบยุ บางคนท่องได้ยี่สิบยุสบางคนท่องได้สิบยุสบางคนไม่ได้ท่องเลยแต่ก็อ่านทุกวันเราตกขบวนหรือเปล่าเราอยู่ในขบวนไหนนะเราอยู่ในขบวนสามสิบยุสไหมเอาถ้าไม่ใช่เอามาดูสิสิบยุสหนะเราอยู่ในขบวนไหนชั้นเท่าไหร่เหมือนรถไฟรถไฟมันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกผมตัวแล้วเกินว่าเราเนี่จะอยู่นอกขบวนนอกนอกโบกี้แล้วไปไม่ถึงไหนนะอยู่ได้แต่เอ มาขโมยหนึ่งได้แต่ใบบ่ายกับเขาเราไม่ได้ขึ้นรถไว้สักทีอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เข้าหามันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้รับนั้นะสิ่งดีๆจะรอดสุภทานเอาใจละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้รับประโยชน์หลายอย่างนะครับหนึ่งเราได้รู้ว่าอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่ถูกจํากัดเฉพาะคนที่ต้องมีเรียกว่าไอคิวสูง นะไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องมีไอคิวสูงๆถึ ง, งจะเรียนอัลกุรอานยิ่งโง่ยิ่งเหมาะที่จะเรียนอัลกุรอานเพื่อที่จะได้ฉลาดนะครับนะยิ่งคนสูงคนที่มีไอคิวสูงแน่นอนว่าต้องเรียนอัลกุรอานอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ไม่มีไอคิวสูงนี่ถามว่าต้องยเรียนอัลกุรอานให้เยอะเพื่อที่จะได้เป็นนะมีไอคิวสูงกับเขาบ้างอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าอัลกุรอานนี่มีความสูงส่งมาก นะครับมีเกียรติมากนะอัลลอฮฺสุภาเนาะตาละถ้าเราไม่เอาใจใส่มันเนี่ยรอวะบัตไม่รู้จะบอกว่ามันขาดคุณขนาดไหนแล้วนะครับเป็นสิ่งที่มละอิ ก, กัสรักษาพิทักรักษามันเอาไว้ให้กับท่านนาบีสุลล็อกระวัสละแล้วท่านนาบีก็เอามาถ่ายทอดให้กับบรรดาซูฮับแล้วกว่าจะมารวบรวมให้มันเป็นเล่มอย่างนี้มี่น้องคิดไว้ว่ามันลําบากแค่ไห น, นสมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้นะ ไม่มีแบบเรานาจะเปิดเอาซูร่าไหนเปิดหน้านั้นเลยเปิดหน้านั้นนี้สามารถเปิดได้ ท, ทันทีสมัยก่อนเนี่ยเขาจดอลัลกุรอานเขาจดตามก้านอินทภาลำเลือกอินทภาลำหนังสัตว์บนก้อนหินบนกระดูกพอมาถึงยุคของท่านอบูบัรท่านอบูบัคเป็นคนแรกที่มารวบรวมกันก่อนแต่ไม่ได้เอามาจดเอาไว้ในในเขาเรียกว่า ในในบทในกระดาษที่มันเป็นกิดจลักษณะอบูบัคเป็นคนเริ่มต้นคิดที่จะรวมอัลกุรอานพอมาถึงยุคของท่านเซดีนอุสมานอินอัลฟานรับอลลอฮฺอัลลอฮ์นะท่านออมานเนี่ยเป็นคนที่ให้มีการรวบรวมมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาจดเป็นซุลอกเพราะฉะนั้นซุลอกที่เราเห็นเนี่ยเริ่มต้นจางแต่ซุลอกอัลบากราอัลอิมรอนไปจนถึงซุลอกตุลนาส เป็นสิ่งที่ท่านอัสมานอิบนาอัฟซานรอบียัลลอฮุอัยฮุอะวขึ้นมาในยุค ข, ของท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียกเราจะเรียกว่ามุสฮัฟอุสมานียะมุสฮัฟอุลส์แนียะอุสมานียะก็คือย้อนไปที่ท่านอุลส์แมนอินาอัฟซานรับียัลลอฮุอันฮุอะวะัลิสาคนที่สามของท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะวะฮุไม่ใช่เรื่องง่ายครับเกือบกี่ปีอะนะ้าสิบปีกว่านะ ใช่ไหมสามสิบปีส0ิบปีห้าสิบปีกว่ากว่าที่จะมาเป็นหลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้วนะกว่าที่จะมาเป็นเล่มอย่างนี้และก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงยุคของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยหล่อ ง, ง่ายมากอัลกุรอานเนี่ยหาง่ายมากนะครับหาซื้อตามท้งองตลาดได้ทั่วไปหรือบางทีคนที่ไปฮัดเนี่ยเขาแจกฟรี เขาแจกฟรีนะครับคนละเล่มคนละเล่มแล้วไม่ใช่แจกแค่อักุรอานที่เป็นภาษาอับอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาเขาแจกอัลกุรอานที่มีความหมายแล ะ, ะแจกก็วางมีความหมายภาษาไทยสมัยก่อนนี้ก็หายากอีกยากเหมือนกันสมัยก่อนนี่จะหาอัลกุรอานที่มีภาษาไทยให้เราได้อ่านให้เราได้ทําความเข้าใจก็ยากปัจจุบันนี่ง่ายหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าใครที่สามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะเปิดคอมพิวเตอร์ได้อลลอัลกุรไม่มีข้อแม้อีกแล้วครับไม่มีข้ออ้างอีกเลยว่าเราเนี่ย จะเข้าถึงอัลกุรอานได้อย่างไรปัจจุ บ, บันนี้มันเปิดหมดทุกอย่างมันสามารถาหรือม้แต่เครื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะพบอัลกุรอานได้นับเป็นสิบๆเวอร์ชั่นเนะวอร์ชั่นตัฟเฟลเล่มนั้นเล่มนี้อันี้เมื่อกี้ผมก็ยังอา่านจากจากตรงนี้เลยนะที่เอามาพูดถึงและความหมายบางความหมายที่เรารบเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะขอถือโอกาสนี้ในวงการเรียนการสอนอัลกุรอานของเราแบบนี้เนี่ยเราลองมาช่วยกันคิดดูซิว่า เราจะขึ้นรถไฟขบวนอัลกุรอานแรกๆกเราอาจจะขึ้นขบวนหลังๆก่อนนะโบกี้หลังๆก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยๆอัปเกรดตัวของเรานะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเริ่มจากถ้ายังไม่เคยอ่านอัลกุรอานอิชอัลลอฮ์อ่านอัลกุรอานได้ทุกคนนะนะคงไม่มีใครที่อ่านอัลกุรอานไม่ได้ถ้าอ่านไม่ได้ต้องเรียนมันะต้องเรียนวิธีการอ่านอัลกุรอานแก่แล้วก็ไม่เป็นไรต้องเรียนนะครับอย่างน้อย นะก่อนเข้ากูโบให้อ่านอลัลกุรอานได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่กลับไปหาลอสฟองแต่ อ, อะไรไม่มีอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่จะมาปกป้องเราในกูโ บ, โบในหลุมฝังศพของลอสสุทานอซาลานะครับพอเราอ่านได้แล้วต่อไปเราก็ลองทําความเข้าใจศึกษานะว่าอลัลกุรอานพูดอะไรบ้างและท้ายที่สุดก็คือพยายามที่จะเรียนรู้การปฏิบัติตนนะครับตามเนื้อหาคําสอนของอลัอลกุรอานจริง ว่ามีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่เราสามารถดึงเอาบทเรียนจากอัลกุรอานมาใช้จริงๆในการเป็นมุสลิมที่ดีนะครับทาหน้าที่ของเราต่ออัลกุรอานให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับุั ล, ลลอฮฺุะละ ล, ล, ลัมซลละละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ